นะตอนเช้ารับรุ่งอรุณหลังจากพวกเราได้พักผ่อนรับนอนมาเหมาะที่จะรับสินรับธรรมได้ <c oughs> คิดใจบ่างๆไมยังไม่เปิดเพื่อนอะไรก็เหมาะแจรากันบรรลุธรรมได้ มุนพระพุทธเจ้าของเราท่องหลอยด้ตัดสชลูเวลาที่สที่ห้าดุ่งอรุณจากการศึกษาสั่งสอนตัวเองมาในวันตัดสชลูปาริพปานประสูติผ่านมาสามสี่เดือนนี่ หลวงตาก็ไปเฝ้ารับตัดสั้นรูพุรธเจ้าอยู่ที่วัดโมกมหลายชีวิตที่ไม่หลับไม่นอนเดินจงกรมนั่งสมาธิที่นั่นก็มีผู้ที่มีศรัทธามากเหมือนพวกหลอมารับ ฟังธรรมอเนเสนาของพระเจ้าในวันแสดงธรรมในวันพระสงค์เกิดขึ้นในโลกเมื่อวานนี้ในฐานะที่พวกเราเป็นหุ้นส่วนเรียกว่าบริษัทมีภิกษุมีแม่ชีมีอุบาสกมีวาชิกาลงทุนมาสร้างวัดสร้างวาวดลูกวดหลาน แอะกันมาจากไกลๆตำบลให้ทานรักษาชีนเตเอเยสละมาถึงที่นี้ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับบางคนแม้แต่การถือบวชก็ไม่ใช่เรื่องง่ายดังนั้นเราจึงมีการลงทุนกันถึงป่านนี้ อะไรที่เราควรจะเป็นผลประโยชน์ร่วมกัน <c oughs> ในทางธรรมะในทางพระศาสนาเราก็มีแล้วว่าวรส ต, ตรายพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ที่ไหนหรือว่าพุทธังสระนังกาจามิธรรมังสระนังกาจามิสังฆังสระนังกาจามิ เท่านั้นหรือเยวงตาไปสอนทมที่ประเทศจีนเขาหัวใจถามบางคนน่ะทอย่างนี้จะเข้าถึงสุขขาว่าดีได้ไหมทมอย่างนี้จะถึงอามิตตพุทธได้ไหมใ น, นวานก็มีคนหนุ่ม นัอ่งอยู่นี่หรือเปล่ามาถามหลวงตาว่าหลวงตาจะสอนฌานให้ผมได้ไหมเอาสนใจเรื่องฌานเรื่องอิมิตรพุทธเรื่องสุขาวดีอันเป็นเรื่องที่ใส่ใจแล้วนั่นก็มีเหมือนกันล้วก็ตอบว่าแน่นอนที่สุด อะไรเป็นสุขวดีของคุณอะไรเป็นอมิตรพูธของคุณอะไรเป็นฌานของคุณยานอย่างยิ่งคือยังไงาอาชา์แบบไหนสหาคตเจ้าพระสมเดะโคดมของเราไปศึกษากับอาจารย์นั่งสองบุตกาดาบทอราาราบท อุตกระระบทได้ฌานสมาบัติเกตต่อไปถึงอัอาดาลราบทได้ฌานสม า, าสมบัติแปดจบทันทีนั่นยังไม่เป็นพระพุทธเจ้าเลยคนจะชอบฌานแบบไหนได้แบบนั้นก็นั่งสงบไม่ต้องทำรอยบริกรรมพุทโธพุทโธปล่อยไม่รับรู้อะไรแต่ฌานอย่างยิ่งคือ อะไรคือมีสติแล้วแะ้วอยู่พระพุเจ้าเข้าสู่ปริพัน์ตรงนี้ระหว่งางฌานที่สี่ฌานที่ห้าไม่ใช่ฌานแบบไม่รู้อะไรทำลายสังขารวิญ ญ, ญาณดับสนิทไม่มีเวทนาในเวทนาไม่มีจิตในจิต ไม่มีอะไรเป็นสัญญาณเวทยิตที่โลดมีสติแล้วเราอยู่นี่เป็นฌานที่ทาไมถึงมากถึงผลไม่ใช่ฌานแบบนั่งหลับเราก็ไปสอนทมที่บังจีนเราก็ถามว่านั่งหลับตากับไม่หลับตาดีอย่างไงก็ได้ทั้งสองอย่าง ลับตาก็ได้บางโอกาสไม่ใช่ตลอดไปหืิดตาบ้างโอกาสไม่ใช่ั่งหลับตลอดไปก็เลยให้จานนดนั่งหลับตาทำสมาธิยอยู่ให้เขาสาธิตแล้วก็อาอเลกาไปวางไว้ข้างๆก็เปอดจานนดนั่งหลับตา ก็บอกพระจีนลูกนั่งลุกขึ้นไปไปหยิบนาฬกา น, านีจอโนก็นั่งหลับตาอยู่พอหลับตาขึ้นมาอาจอโน ก, ก็มองหานาลิกาไม่เห็นไม่รู้ใคยไปไหนถ้าเราเลื่นตาจะเห็นไหมเขามาลักนาฬิกาเราไปเราจะเห็นไหมบางทีรักษาตัวไม่ได้นั่งหลับตา สงตาเคยมีงูเห่าจะมานั่งอยู่ในตักมันจะเลื่อยมาถ้ารลับตาแล้วก็แย่แล้วเวลามันเลื่อยมาขึ้นเขาเรอจะทำไงแ ล, แล้วก็ไม่ไม่ได้รู้อาจจะไปตบงูงูกัดเราตายไปแล้วัน <laughs> เราก็เดินตาเห็นมันอยู่ เราก็ไม่ขีดไฟโยนใส่หัวมันมันก็จึงรู้ว่าเป็นเราเราก็นั่งอยู่นิ่งๆอยู่เนี่ยมันก็ชูคค ข, ขูลเราว่ามันจะพ่นพิษน้ำลายออกมาเลยเอาจีวรบังว่าอย่างนี้ถ้ามันพ่นพิษมาก็จะให้มันไม่ถูกตา <laughs> ถ้าประกฏมาเอาจีวรคุมหัวมันก็มี กีบอนในป้องกันอะไรป้องกันเหลือบจุงลมแดดและฉัดเลื่อยคานเอาปกหัวงูเห่าก็ได้ไม่กัดเราได้นะ <c oughs> พัรืนจอถ้าหลับตาแล้วก็ไม่ดีแล้วบางโอกาสคุณจะเลือกเขาเองไม่ใช่ผิดไม่ใช่ถูกมูอแต่คิดกันนําไมฮะมาเข้าทางเะเตะเราเอาอะไรมาต่อรองกับการทำความดี ถ้าทำดีต้องได้ต้องได้ต้องไม่ได้ไม่ใช่แล้วเป็นผู้ผิดเป็นผู้ถูกไม่ใช่แล้วเป็นผู้ได้ผู้ไม่ได้ไม่ใช่แล้ ว, ล ว, ลวต้องเห็นนี่คือทางเวลาเกิดอะไรขึ้นเห็นเนี่ยเห็นคือดูเนี่ยเป็นเป็นมรด่ชุดเลยพระเจ้าจึงบอกว่าอาริยมรกอย่างที่เราสวดบางทีเนี่ย อามากอา๋ีมากคือดูคือทางไม่ใช่ทางเหมือนอเราเดินบนดินในโลกมันเป็นทางเดินทางจิตใจคือดูเข้าไปลืินตาขึ้นมามีสติมีสำจะเห็นเห็นแล้วมันจะมีความรู้สึกตัวมันจะเห็นแมกระทั่งความหลงเห็นมันหลงไม่ใช่เป็นผู้หลงนี่คือ มันก็ไปแล้วพาเราไปแล้วพ้นจากควบหลงไปแล้วเห็นมันผิดไม่ใช่เป็นผู้ผิดมันก็ผ่านความผิดไปแล้วเห็นมันถูกไม่ใช่เป็นผู้ถูกก็ผ่านความถูกไปแล้วเห็นมันสุขไม่ใช่เป็นผู้สุขมันก็ผ่านความสุขไปแล้วเห็นมันทุกข์ไม่ใช่เป็นผู้ทุกข์มันก็ผ่านความทุกข์ไปแล้วเห็นมันทุกอย่าง ถ้าเป็นเรามันหยุดนะถ้าเห็นเราไปตะเพือเลยนี่มักคือทางไปไลไปเรื่อยไลไปเรื่อยนะ <c oughs> เอาความหลงไว้หลังเอาไร้ไว้หลังเหมือนเกินเดินทางแท้ๆมันมีมักมีผลอย่างนี้ความหลงไว้เราหลุดพ้นได้ความทุกข์ความโกรธความวิตกความโวยสมองที่มาเกิดขึ้นมีกันทุกคน ไม่ใช่ฟรีเลยเห็นทุกคนว่าแต่เห็นแล้วก็มีสติคือดูบันไม่ใช่ไปจ้องดูแล้วก็มีวิธีที่จะกลับมาเคลื่อนไหวมืออย่างคุณหมอทำอยู่เนี่ยนี่คือทางของเราเรียมรักของเรามาเข้าทางนี้มันจะไปสู่มรรคสู่ผลมันหลงรู้พว่มหลงเป็นมร รวมรูเป็นผลไปในตัเป็นเมื่อเป็นผลไปในตัวเฉลยเป็นทั้งศีลเป็นทั้งสมาธิเป็นทั้งปัญญาไปเลยทีเดียวเป็นทั้งละความชั่วเป็นทั้งทับความดีทำไม่จิตบริสุทธิ์ไปเลยทีเดียวรวมถูกต้องต้องหลอยไปเป็นพวงเลยมันไม่ยากถ้าทําให้ถูกเป็นผู้ผิดเป็นผู้ถูกเป็นผูุ้กเป็นผู้ชกเป็นผู้ได้เป็นผู้เสียเหมือนกี่เขาขึ้นเขามันก็ยาก ถ้าเราเห็นมันง่ายๆเหมือนจิ้งคุกหลงเขาก่อนปฏิบัติธรมหนะทุกขาปฏิบัติทาเอาความยากกดง่ายมาต่อรองจะเอาสุขเขาดีให้ได้จะเอาอมิตตพุทธให้ได้จะเอาฌานให้ได้มุ่งอย่างนั้นนะมันไม่ใช่ไม่ต้องการอะไรเราจะดูวันนี้มันจะมีอะไรนี่คือทาง เดีย๋ยวมักคือทางคือดูคือเห็นไม่เป็นอะไรกับอะไรอย่างนี้เป็นทางดวนดวนนะทางสายนี่ฟรีเวเงินทางที่บ้านคนหมอคงสักก็ <c oughs> รู้ว่าฟรีเวยใช่ไหม <c oughs> บ้านเราไม่มีนะฟรีเบเนี่ยคนหมอพาไปเที่ยวทั่วๆไปไปเข้าไปถ้ำ เสือลายปนรถไฟมนาะพี่เวคืออลไรผ่านตะพุ่ตะเพื่อทีเวนี่มีแต่รถนั่งนะไม่มีรถบรรทุกไม่มีรถโดยสารใช่ไหมคุณนุชมีแต่รถนั่งเขากำหนดได้จากบ้างไปที่ทำงานไปในวิ่งรถประมาณสิบนาทียี่สิบนาที4ี่สิบนาทีได้ไม่มีเสียเวลารถไม่ติด เอ้ว่าฟรีเวยเอเรามีไอเว้ยมีอะไรไม่รู้ไอีกออนกตัวนก็ยังติดนะเขาเนี่ฟรีเวียไม่มีติดเลยวิ่งได้ทั่วประเทศเขาบ้านคุณหมอของสักนะ่ะทางเนี่ยมันมีฟรีเวนะ้ยยังไงเห็นแล้วไม่เป็นฟรีเวยยไปแล้ว ผ่านไปแล้วอะไรที่มันเกิดในเนี่แปดหมืนสี่พันอย่างเกิดกับกายกับใจนี่มีแต่เห็นนี่คือทางมันไม่ยากพระเจ้าจึงสอนในสิ่งที่ทำน้อยว่าทําวันพระผู้มีพระภาคเจ้าตัดไว้ดีแล้วจะต่อก็ไม่ได้จะตัดก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาจะต้องศึกษาด้วยตนเองอาศัยใครไม่ได้ จึงมีรูปแบบอย่างนี้ไม่มีวิธีใดที่ช่วยกันได้จึงมาเป็นเพื่อนกันกิดระยาลิมิรกันไอ้เป็นสิ่งเวลร่อมจากนี้งั้นเราสวดกันระยาลิมิตนี้เพื่อไม่ใช่จะมีความสุขเหมือนพระนนถามกราบทูลถามพระพุทธเจ้าพรเจ้าไม่ใช่เฉพาะเรื่องนั้นทั้งหมดของผมหมดจันเลย นี่คือเรามาเป็นมิตรเป็นอันเดียวกันศึกษาเรื่องเดียวกันต่างคนต่างมีความรู้ถ้าทุกขิววิตมีความรู้ก่อนแล้วความชั่วทำความดีไม่มีปัญหาเะยรเลยต่อลงไป โ, โมกหววานเนี่ยก็พูดกับพระสงฆ์ต้องหลายนะว่าที่นี่ไม่ใช่นักปกครองนะเราไม่ปกครองใคร <laughs> ไม่ใช่นะักปกครองให้ท่านปกครองตัวเองคือปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมคือดูแลตัวเองให้มันคุ้มแลนก็มีกายมีใจเนี่ยปัญหาเกิดนที่กายที่ใจปัญญาก็เกิดขึ้นที่กายที่ใจเราเนี่ยเราจึงมีการศึกษาที่นี่กันแล้ปฏิบัติธรรมนี่มันก็ไปในไปในการปกครองตัวเองดูแลตัวเองอย่างยอดเยี่ยมที่สุดเลย ไม่มีคำถามผู้ใดมันหลงไม่ใครรู้ความหลงของตัวเองมันผิดมีใครเห็นผิดที่เรามันถูกมีใครเห็นผิดที่เรามันทุกมีใครเห็นกับเราบ้างนันก็ต้องเห็นเลยไปเปลี่ยนเลยไปมาถึงภาวะที่รู้ความหลงแท้ๆทำไมเกิดความรู้ได้ ความผิดทำให้เกิดความรู้ได้ความถูกทำให้เกิดความรู้ได้ความสุขความทุกข์ทำให้เกิดความรู้ได้ปัญหาทำให้เกิดปัญญาได้นี่คือปฏิบัติธรรมมันทำได้อย่างนี้ต้องทำด้วยตนเองแล้วได้เกิดผลได้ให้ผลได้ไม่จำกัดการมันหลงที่ใดก็รู้ได้เกิดผลทันทีกมหลงมาด้วยกันกับความรู้มีเหตุมันเกิดที่เหตุ แก่ที่เหตุมันแช้กันได้อยู่มองเป็นสองมุมสองด้านพระพุทธเจ้าสมัยเป็นสิทธัตถะมองชีวิตแบบสองมุมเห็นประพาสกบินลบัตเห็นเกิดการแก่การเจ็บปันตายตนตายก็พากันร้องให้สมอง เห็นการเกิดก็พากันช่วยกันแสดงว่าเห็นการเจ็บก็โอ้ทรมานเห็นการเจงงงเงื่นงนอนหลังตาเนีต้องไปทางไหนต้องมีไม่เท่ายืนถอดลองเท้าขาเดียวมาได้หรอโนดนก๊บใส่องเท้าขาเดียวมาได้ต้องมีไห <laughs> ม <laughs> เ, เ, เม น, นี่ยเอ๊ะมาขนาดไหนขนาดนั้นเจ้าฟาชายสีทธะอายุเพียง 16, สิบหกพรรษา เห็นเรื่องนี้มองแบบไ ม, ม่ยมถามพระเจ้าปู่พระเจ้าย่าพระเจ้าตาพระเจ้ายายไม่มีใครตอบได้เลยจึงเป็นการบ้างของศิลธรรมในฐานะที่เป็นเจ้าพ่อชายต้องรับผิดชอบเรื่องนี้ให้ได้จนถึงอายุยีิบเก้าปีาายีิบเก้าพรรษาพระชนมายุยีิบเก้าพรรษาหาศึกษาเรื่องนี้ลองดู เห็นสํนานะเออพอมีทางที่ศึกษาได้เป็นชีวิตส่วนตัวตอนทัานนี่เราโูนเกิดเพายังได้เกียวันโลก็ไม่ได้แล้วนี่วิ่งจะแล้วไปนลยเหมือนทางที่ต้องวิ่งให้เร็วที่สุดโดไม่ได้ตื่นแต่ดึกศึกแตนุ่มที่สุดทั้องค์ก็ไม่ยอมเมื่อไม่เกิดต้องมีไม่เกิด เมื่อไม่เจ็บต้องไม่ไม่เจ็บเมื่อไม่เจ็บต้องไม่ไม่เจ็บเมื่อไม่ตายก็ต้องไม่ไม่ตายแน่นอนบอกมันในเรื่องตรงกันข้ามเหมือนกับมีความมืดมีแสงสว่างมีรอ้อนมีหนาวมองเป็นคู่อย่างนี้ไม่ยอมศึกษาเรื่องนี้จึงเอาคิดเป็นตําลาไปเลยไม่มีใครเป็นครู่จนดบับไปทั้งหกปี จนจนที่สุดความจนในทางที่จะเอาศึกษาเรืงนี้จนจนนั่ น, นแหละมีปัญญามากผิดก็ได้บทเรียนถูกก็ได้บทเรียนทุกก็ได้บทเรียนสุขก็ได้บทเรียนแต่ไม่ยอมไม่ยอมสุขไม่ยอมทุกเพราะชีวิตของวัฒน์วัฒนามันเปลี่ยนหัดเปลี่ยนบ้างเราเอาอย่างผู้ที่เจ้า เมื่อพองได้ปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จำกัดการทำได้จริงๆเวลามันหลงรู้สึกตัวเวลามันโกรธรู้สึกตัวเวลามันทุกรู้สึกตัวเอ้ามันทำได้นะเมื่อมันทำได้อย่างนี้ก็เห็นช่องเห็นทางเห็กระแสไปไม่ยมไม่ใช่เป็นเห็นแล้วจึงประกาศท้าทายเหมือนกับ คนทํางานนั้นก็เราทํานาเช่านาชาวไร่ไร่ที่เราไร่พ่อทายก่งเป็นร้อยไร่ปลูกอ้อยปลูกไปแล้ววันนี้ปลูกสองไร่สามไร่ประมาณได้ยี่สิบไร่สามสิบไร่ห้าสิบไร่แปดสิบไร่เก้าสิบไร่เหลืออยู่ไร่เดียวมันก็ถ้าถายเลย เมือนเราทำนาใกล้เสร็จหรือยังอีกสองสามวอนเสร็จอีกสอง ส, สัปดาห์เสร็จแล้วก็มั่นใจอย่างนี้มันก็อะไรมันผ่านไปก็ผ่านไปจริงๆเหมือนพระอา น, นุนใกล้จะป่าใกล้จะสังขารนาเราให้พระนอนุนเนี่ยเป็นพระผู้สูตร ผู้ที่ได้สำรับรับฟังม า, มากจากพระพุทธเจ้าขาดอานน์ไม่ได้แต่ออนนลเป็นปุฎิชนอยู่แต่รู้มากพระมหาคสปะจึงให้อานน์ต้องรีบบาเพ็ญเพียรให้ไหวที่สุดเพราะต้องทำสังขนาแล้วอานน์ก็ทำงันใหญ่คนมีความรู้ จนไม่หลับไม่นอนเพราะมันเห็นเหมือนเรามีควมรมุูงเนี่ยบคนหมอไม่ควมรมุูงส่องให้กีโมหลวงตานะก็มั่นใจอย่างนี้นข้าวเจ้าปฏิเสธวิธี ก, ธกรารรักษาอื่นไดทางนี้คนไม่ควมไอ้ผู้ที่โดนก็มั่นใจว่าเอาละเอาแล้ะเห็นกระแสระแสงเงินกระแสทองขึ้นเอาละ ท, ทางนี้แน่นอน ไม่หลับไม่นอนจนจนแสงทองขึ้นโอ้ยตลอดคืน้นเนาะเราไม่ได้พักผ่อนเงียบสักหน่อยเถอะอันคารว่าเงียบสักหน่อยเพื่ออะไรเพื่อต่อสู้นะไม่ใช่ขี้เกียจหรอกเหมือนเราใช่ไหมมันเราก็ง่วงนอนก็เอาเลยให้กลณง่วงพานอนแต่อนอนนอนนี่ไม่ใช่นอนเพราะเพราะสองขานเปลงต่างจะพักผ่อนเพื่อต่อสู้กัน เงียบลงหัวเอ็นลงคือขณะนั้นวางใจทุกอย่างแล้วไม่ขุมเกินว่าเอ็นหัวลงยังไม่ถึงหอนเลยได้บรรลุธรรนั่นทีเพราะนั่นเน่ยบางทีก็ต้องหยุดหอนใจเหมือนเมื่อเราต่อพูดว่าต้องหยุดบ้างอย่ารีบอย่าล้อนเกินไป น้ำร้อนป่าเป็นน้ำเย็นป่าตายเป็นไปได้บางทีเราวางใจสู่ปกติได้มันก็อาจจะเปลี่ยนแปลงได้เหมือนบางคนลูกศิษย์หลวงพ่เทียนเก็บห้ายในไล่เกป้ย ไ, ไม่อยู่ในรูปแบบนะเจ็บป้ายอยู่ในต้นจะ็บมาใส่พกป้าลูกสึกตัวดูตัว ด้วยความรู้ทำก็มีก็เป็นอาจารย์ของเรารุ่นแรกๆนะส่วนมากจะเป็นโยมหลวงพ่อเทียนก็เป็นโยมสนธรรมะที่แรกไม่ใช่เป็นพระแบบนี้นะท่านบวชเป็นพระมาสอนที่แรกก็มีรุ่นหลวงตานะเป็นรุ่นแรกนอกนั้นมีแต่โยมนะคือไม่ไม่ถนัดนะจะให้โยมมสอนพระนี่บางทีไมไม่ถนัดใช่ไหม แล้วก็มีอุปทานแบบเลือดเนื้อเชื่อไขอ่พอหลวงพ่อเทียนบวดพวกเราเป็นรุ่นแรลส่วนมากเป็นผู้หญิงผู้ชายก็มีพี่เขยหลวงพ่อเทียนเพราะหน่อมเราเคยเป็นสปัดกับผลพวกนี่มาลายห้ารอยสิบมาห้ารอยสิบเป็นโยมไม่ได้บวชเลย เนี่ยเพราะนั่นเนี่ยไม่ใช่อยู่ในรูปแบบเสมอไปควมรู้สึกตัวก็ดีความหลงก็มีเวลาสร้างจังหวะไม่ใช่ไปะจะเห็นความหลงในโอกาสนี้เดินจงกรมจะเห็นความหลงเห็นความสุขความทุกข์ไม่ใช่เลยทุกกรณีแล้วก็ปฏิบัติทุกกรณีได้นอกรูปแบบก็ได้เพราะมันอยู่ในเราแล้วความรู้สึกตัวนะ่ะ อาใช้ใครไม่ได้เวลาเราหลงก็าต่างมาระกันไม่ใช่ตีข้องรองเปล่าคนนั้นหลงคนนี้หลงไม่ใช่เลยรูปเป็นส่วนตัวจึงควรชวนมาดูโอเอหิปฏิกูมาดูมาดูมาดูเรื่องนี้กันจึงมีสำนักสโกโตขึ้นมาเพื่อพิสูจน์เพื่อท้าทายเรื่องอย่างนี้กันไม่ใช่เราเพื่อเป็น อะไรบริวารพวกข้องไม่ใช้เลยทีเดียวต้องการให้มาพิสูน์ร่วมกันดูโอ้ปน้าย่โกงน้อมาดูเวลามันหลงง้อมความรู้มาใส่เวลามันถูกน้อมความรู้มาน้นอมเข้ามาหมวใช่อ้อนวอนมันก็มีอยู่แล้วยกหม้อขึ้นรู้จึกตัวเดินก็รู้จึกตัวหัยใจก็รู้จักตัวได้น้อมมากแล้วก็เป็นปัจจัตตัง ทันทีเี่เรามาหลงรู้ได้ทันทีความหลงก็หมดไปทันทีเปลี่ยนเป็นความรู้ได้ทันทีอะไรที่มันเกิดกับปากับใจเปลี่ยนเป็นตัวรู้ได้ทั้งหมดสภาวะที่รู้เป็นสภาวะที่เฉลยชีวิตของเราได้ทั้งหมดไม่ต้องไปหาที่ใดตามที่หลวงตาบอกว่ามันเป็นมันก็เป็น เรื่องที่จะต้องศึกษาหรือว่าเทคนิคหรือว่าอะไรต่างๆไม่ต้องไปหาที่ใดเรียนที่ใดเอาหลักในกายในใจเราเนี่ย mm hmm. เนื้อตัวเนื้อมันในมันนั้นมีอยู่แล้วไม่มีความหลงก็มีความรู้คู่กันอยู่มีความทุกข์ก็มีความรู้คู่กันอยู่ เห็นไปเห็นมาเห็นจะไม่เป็นอะไรมีแต่เห็นเรื่อยไปหลวงตาเลยไม่เลยพูดเลยก็รลยพูดแบบบ้าๆเบาๆหลวงดาวนั่นน่าเย็นไม่มีไม่เป็นอะไรกับอะไรเลยใช่ไหมไม่มีใครเข้าใจอ้าวบ้าแล้วนะ <laughs> แต่เลยดูดีๆไม่มีไม่เป็นอะไรมันไม่ใช่เรื่องคาพูดเป็นเรื่องที่ชีวิตของเราได้จริงๆเหมือนหลวงตาไปสอนคนจีนเขาบอกว่าเบือยอลางมีอยู่สองรูปในโลกนี้อยู่ในอยู่ในกรงตุ้มรูปหนังคนหนังชีวิตหนึ่งอยู่ในเมืองไทยชีวิตหน่ง อยู่ในเมืงไทยคใครืคอหลวงพ่อเทียนเขาคเนี่ยคนหมอเพราว่าหลวงพ่อเทียนไปเว่ยหลางของมืองไทยนะเว่ยหลางหลวงหลวงพ่อเทียนนี่ก็นี่แหละคือท่านสอนว่าเห็นนะอยากเป็นนะหลวงตามีความสุขมากปฏิบัติธรรมรู้จักรูปจงนามเนี่ยหลวงพ่อเทียนมาบอกว่าเห็นมีอะไรรูปอะไรมากรูปครับ รู้อะไรอ่ะรู้จากรูปรู้จากน้ำนะคนไม่รู้จากลูปน้ำกับคนบ้าหรอเฮ้ย <laughs> ครับผมเป็นบ้าครับสมัยก่อนเอะ <laughs> เดี๋ยวนี้ผมไม่เป็นบ้าเช็นแล้วไม่มีประโยชน์รู้จากลูปน้ำพราะบ้านละตั้งเถียงอย่มีใช่ครับหลวงปู่หลวงพว่อมีประโยชน์มากความทุกข์ของผมมันลดไป หมดมันมีความสุขมาเตือนความสุขก็แบบกบโคกเราจะ ก, กบโคกไหมกบโคกตะเกียกตะเกายมามาเจอบวกน้นําน้อยร่องล้นไปเลยไม่รู้ว่าน้องบึงมันมีใหญ่กว่านี้กบโคกหลงตาเป็นกบโคกสุขก็สุขแบบกบโคก ลู่หรือเปล่าว่ามีหนองมีบึงอยู่ข้างหน้าจะเยอะไปเลยหดยาวเลยใจอลว่อเทียนดาเราลึกๆเนองอแต่ก็ผู้สุขก็อย่าเห็นก็อย่าเป็นผู้สุขให้เห็นมันสุขอย่าเข้าไปอยู่ในความสุขถ้าเป็นผู้สุขเราไปไม่ได้ละตันไปแล้วสุขขาปฏิปทาทันทะปัญญา ติดสุกติดสงบพระกบันฑาทั้งหลายตายอยู่ในความสงบนี่เท่าไหร่เท่าไหร่ ไ, หรไม่รู้ในประเทศไทยไปติดความสงบติดสุกพอนั้งปั๊บก็เอาเลยเสงบนีไม่รู้เลยต่ไหมสร้างพระใจจิงรุ่นแรกในประเทศไทยสองตาเป็นผู้เป็นหัวหน้าร้วยกันกันกบอาจารย์ทองไหม นำพระใจเสียงรุ่นแรกเกตสิบลูกประไปนั่งอยู่ที่ไหนคนนั่งหลับตาคนมาได้ทราบว่าพระใจเสียงมาเขาก็มาทำบุญต่างๆไปนั่งหลับตาให้คนเห็นไม่ใช่หลับเฉยๆนะนั่งซะพวกบางรูปลอยไหล <laughs> เ, ออเราก็เดินดูเพื่อนมาพูดบาอสอน เขาอยากให้นั่งหลับตาให้คนเห็นมันไม่ใช่นั่งหลับเฉยๆมันน้ำลายไหลมันอ้าปาสปอกสะพูโมอยู่เขาก็เคยกินแบบน้วให้มารู้สึกตัวเถอไปพูดที่ไรเทอยเขาโกรธเลยพูดที่เวลาใดก็บังว่าแต่นั่งหลับตาหลับตาเพราะมันติดนะมันติดกัน ตองลื้นตาดูบ้างเคลื่อนไหวดูบ้างมันก็มีรสชาติณนะความสงบแนวนั่นจึงฝึกตนสอนตอนลงโ่อเทียนบอกว่าจะไปติดสุ ข, สขเห็นมันสุขอย่าเป็นผู้สุขมันทุกข์เห็นมันทุกข์อย่าเป็นผู้ทุกข์ให้เห็นให้เห็นมันไปไม่เปื้เพื่อนกับเสียงใดการไม่เปื้อเพื่อนกับความสุขกวาทุกข์นี้เรียกว่าประพฤติพรม จ, จันท์ บริสุทธิ์บริบูรณ์เช่นเชิงทั้งกายทั้งใจของเราเดี๋ยวนี้เราเปืเ้อนอะไรมามาเอาความสุขมาด้วยความทุกข์มาด้วยเอาความรักมาด้วยความเจ้งมาด้วยมันเปื้อนมาอนตาก็ บ, บวชพระเมื่อวานนะี่มาอยู่ในโบสถ์แล้วอย่าเอาอย่าเอาอันเก่ามาเคยมีแฟนเคยมีอะไรความสุขความทุกข์เอาทิ้ไงไปทั้งนอกก่อนเดี๋ยวนี้เรามาประพฤติประมาจันให้บริสุทธิ์ มีสติมี จ, จํญญาผัสชนะไม่ใช่มาห่มผ้าเหลืองเฉยๆสำละจิตใจออกวไปเคยมีครอบมีครัวผัวเมียเคยมาก็ไปชิดถึงลูกถึงเมียไม่ได้นะคิดก็ไม่ต้องคิดนะเรามามีเพศสมละแล้วอาการใดของสำละต้องทําอาการนีร้ต้องสงบทำเย็นนี่คือเห็นมันต้องเปลี่ยนแปลงอย่าไม่เปื้อ น, นเกินไป บางทีเราความลักมาด้วยเอาความชังมาด้วยเอาความห่วงความอะไรอะไรวอนมาด้วยมันก็เป็นบริโพธ ث ไปไม่ได้จึงเสียชละบ้างเวลานี้เรามาเห็นมันอะไรมันเกิดขึ้นเห็นมันเห็นมันเห็นมันไม่เป็นกับอะไรเลยนี่เว่ยหลางหลวงพ่อเทียนสอนพวกเราโรากไม่รู้จะพูดยังไงก็เลยพูดว่าไม่มีไม่เป็นอะไรกับอะไรในโลกเนี่ย ไม่มีสุขไม่มีทุกข์ไม่มีเกิดไม่มีเจ็ไม่มีจิตไม่ีตามิได้เห็นมันนี่ยอดเยี่ยมนะเท่านั้มาตรฐานนะมาตรฐานในชีวิตของของเราทุกคนนะแต่ยังเป็นอยู่หรือว่ายังเปรอเพื่อนอยู่เป็นผู้สุขเป็นผู้ทุกข์อยู่มาฝึกตรงนี้มีสติแต่ว่าไม่มุ่งเรื่องนี้อย่างเดียวแต่ต้องฝึกนะการฝึกนี่ทำให้เป็นนะไม่ใช่ลู่นะกรรมฐานไม่่สอนให้ลู่นะน สอนให้เป็นสอนให้ทำการสอนให้รู้นกกระจกมาแล้วจนไปทางานต่างประเทศเป็นอาชีพอย่างสบายเลยทั้งผัวทั้งเมียมา <c oughs> เป็นคนอเมริกันแล้วมันเจงขนาดไหนคนหมอจนเป็นศาสตราจารย์ไปแล้วเจงมาแล้วทุกคนนั่งอยู่นะอันนั้นเป็นความรู้ มันทำให้เป็นนี่ไม่ใช่ความรู้ทำให้มันเป็นเวลามันหลงเรารู้สึกตัวทำเป็นหรือเปล่าเวลามันโกรธรู้สึกตัวทำเป็นไหมเวลามันทุกรู้สึกตัวทำเป็นไหมหรือว่าความโกรธเป็นความโกรธ ค, ความทุกข์เป็นความทุกข์ติดตามชีวิตเรามาถึงป่านนี้หลงจนตายโกรธจนตายทุกจนตายไม่ใช่รู้สิ่งเหล่านี้มันทำเป็นแต่แน มันเป็นขั้งสุดท้ายพูดเรียวพูดเอีกงนะความหลงเป็นขั้งสุดท้ายได้ความทุกข์เป็นขั้งสุดท้ายได้ความโกรธเป็นขั้งสุดท้ายได้ถ้ามันจบสิ้นไปเจ้าจบกันตรงนี้กันหรือว่าสถาบันเคยชีวิตของเราเนี่ ย, ยาจารย์จมื่นขึ้นไปไปสถาบันเลยทีเดียวสถาบันสติปัญฐา แล้วมันต้องจบที่กายที่เวทนาที่จิตที่ทำเนี่ยที่รูปธรรมนามธรรมเห็นความไม่เที่ยงจบแล้วเอาความไม่เที่ยงมาเป็นทุกข์สมัมเอาความไม่เที่ยงมาเป็นปัญญาเป็นมรรคเป็นผลไปแล้วปุถุชนเอาความไม่เที่ยงมาเป็นทุกข์แต่พระอริเจ้าเอาความไม่เที่ยงมาเป็นมรรคผลปุถุชนลงความทุกข์มันเป็นทุกข์ต่อไปเรื่อยๆไป แต่พระพุทธเจ้าเอาความทุกว่าเป็นมรรคผลนิพพานมันเปลี่ยนได้อย่างนี้นะงั้นเปลี่ยนได้เนี่ยปฏิบัติทำเราบทำอย่างนี้ไม่รรมไใช่จะมานั่งหลับหูหลับตา<ม>ยก ม, มือชร้างจังหวะอย่างเดียวเป็นส่วนประกอบในวิชาในรูปแบบเหมือนเราจะหลอเสา อ, อย่างนี้ต้องเข้ากรอบเสียก่อน เพื่อให้เป็นแบบของเสาแบบของพระก็มีทำไว้หน่อยทำไว้หนยมีศีลมีธรรมเนี่ยมันเป็นแบบช่วยได้แต่รูปแบบที่เป็นพ้าจีวรโกนผมผ้าขาวโคลนผมมันเป็นรูปแบบที่มันช่วยได้แต่ลาไปบินธบาตคนขาวใส่บาทมันซึ่งหัวใจเราสมควรจะรับบาทสมควรจะรับทานชาวบ้านหรือเปล่า มันก็มองตัวเองมันเป็นธงชัยของพระอรหันต์เนี่ยเจ้ากาสาวพัฒเนี่ยพ่อกอกรบแม่กอกระพระเจ้าเป็นน้องกราบเรายังเป็นคนชั่วเร็วชามจิตใจต่ำสามอยู่ไม่ได้ต้องพัฒนาตนเองประมาทไม่ได้ถ้าชี้เกียจชี้ขาดมาบวชถือเขาถือหลังไม่ได้ <laughs> จะมานอนกลางวันอยู่คุยกันโอ้เออ พระพุทธเจ้าด่านะที่สู่ทั้งหลายถ้าพอเคยคุยกันอย่างนี้ไปนอนดีกว่าทั้งที่การนอนก็เป็นการเร็วจอมอยู่แล้วถ้าเธอมาคุยกันอยู่านีนะ้มั่วกันอยู่เนี่ยพา ก, กไปนอนดีกว่าเพราะจิตใจจะไม่พุ่งซ่านได้พักผ่อนดีกว่าทั้งที่การนอนเนี่ยก็เป็นความเกียจข้านเรียกว่าคุิยาโย อย่าเห็นแเจนอนมากนักอย่าเห็นเ จ, นน ก, น ก, เนเจกินมากนักเรียกว่าเป็นเป็นทางขวางกั้นในผมวิจารณ์ของเราเพราะเราถือกีวรไปบินถบาศเข้าตกบาศต้องอยู่คําบังกาวบังไหว้เรามันเจ็บใจนะถ้าเราไม่มีศีลไม่ทำเป็นบุคคลเน่าในเปียกแขะใช่ไหมเ <laughs> น่าในเปียกแขะ เหมือนบ่อที่เทขยะมูนฝอยปกปิดซ่อนเล่นไม่ใช่นักปวนก็ถือว่าโตเป็นนักปวดไม่ใช่พรหมจรรย์ก็ถือว่าเป็นพรมจรรย์เป็นหมดเท็จโกหกหมดเท็จงูเพื่อนคูดพระเจ้าด่านะโอ้ดีมากเลยน ะ, ะนีน่ไม่ใช่ยกย่องนะนี่แต่ขนาบนะพระเจ้าเนดะ้อชี้โทษนะไม่ใช่ทําง่ายๆ อันนั่นก็ไมด่ดีนี่ก็ไมด่ดีเราจะทํากับพวกเธออย่างไม่ทะลุถนอมเหมือนชาวหมอ้อทํากับหมอ้อยังเปียกยังดืบอยู่ตีแบบแบเพื่ออะไรทำํำมาจึงตีเพราะให้มันเนื้อดีขี้โทษเนี่ยเป็นเรื่องดีทำไม่ไหนนี่ขี้โทษเราอยู่เมื่อวานเราก็ฟังปฏิโมกษ์กันจะเหมือนว่าเรานั่งต่อหน้าพระพักขององค์ พระองค์แสดงสอนเรามันขี้โทษระวังตรงนี้ระวังตรงนี้ระวังตรงนี้ระวังตรง น, รงรงนี้อันนี้ก็มาดีอันนี้ก็มาดีอันนี้ก็มาดีนนาดแล้วก็ฟังเอาอั น, นี้ล่ะมันตกแต่งเราเป็นผู้ขี้ขี้ข่ม่าเราแต่พระเจ้าที่เป็นตัวบนตนไม่มีแล้วแต่ยังมีทําไว้ไหนเป็นศาสตราแทนพระผู้เจ้าอยู่ยังอยู่กับพวกเรา ทำดีก็ดีทันทีทำชั่วก็ชั่วทันทีนี่คือของจริงถ้ามันหลงก็รู้ถ้ามันทุกกว่ารู้นี่ให้เราทำอย่างนี้เรียกว่าปฏิบัติธรรมเพื่อเข้าเส้นเข้าทางกันจะไม่เสียเวลาเราไม่อยู่ที่นี่อยู่ที่ไหนก็ได้เอาไปใช้ในชีวิตของเราได้เลยเวลาใดก็ได้ขับรถอยู่ตะวันตะดน ทำงานอยู่วนโทษทำงานอาบเบื่อตากแดดความทุกข์ความยากนั้นแหละเห็นไหมเวยลางเป็นลูกจิตก้นกติของอาจารย์ทำข้าวผ่าฟืนว่า ไ, ได้พักผ่อนเลยไม่ได้มานั่งทองเทศเหมือนพวกเหล่านี้มัวแต่ทำข้าวอยู่โน้นผ่าฟืนอยู่โน้นทำมาหารให้คนจีน ไม่เคยมานั่งพังธรรมเลยแต่เป็นผู้บรรลุธรรมก่อนหมในสังฆปริยก k องที่ห้าจะถ่ายทอาในองค์ที่หกต่อไปเป็นผู้นำหมูคณะของสองฆ์ต่อไปให้เขียนสโลกเพื่อจะได้คัดเลือกเขาไม่ได้เลือกเอาตามชั้นวันลนะเหมือนเมืองไทยเรา กองไทยเราต้องมีระดับคุณวุธวัยาวุธเจ้าคนชั้นหน่อยชั้นสามานชั้นลาดชั้นทมชั้นเทพจนถึงชั้นสมเด็จเือไปเรื่อยๆไปองไหนอาวโสก็รับไปรับไปตามคิวไปแต่ว <laughs> ่า มหายานเขาจะต้องเอาคุณธรรมเขียนโสกดูที่สโลกยังไงอาจารย์ผู้ใกล้ลูกศิษย์ผู้ใกล้อาจารย์ขึ้นเขียนเลยชีวิตเหมือนกระจกเงาหมันชิดหมันถูอยู่เสม อ, อย่ายเส้มองได้ขึ้นกระดานไว้เจ็ดวันประกาศให้ลูกศิษย์ทั้งหลายมาเขียนกระดาน จนถึงวันที่เจ็ดว้ยหลังมัวจตาีมข้าวอยู่นั่นโอ๊ยไปดูเขาสักหน่อยอาบน้ำออกมาก็มาดูชวนเพื่อนมาพอไปดูที่เขาเขียนยังไงอ่านหืังือไม่ออกเลยเพื่อนก็พามาดูชีวิตเหมือนกระจกเงาหวานเช็ถูอยู่เสมออย่าให้ฝนทุ ด, ดีมาก่อได้ไปหลังเขียนหนังสือไม่เป็นนะเขียนให้สักหน่อยได้ไหม เขียขนขั้นล่างมาเนี้เขียนว่าไงเมื่อมันมีกระจกฝุ่นจะมาเกาะที่ใดบอจากวันที่เจ็ดมา <laughs> อาจารย์มาสเสแลยมอาอ่านด้ออ่านด้มีสองคนที่มาเขียนโลกขึ้นป้ายอาจารย์สังฆราชองค์ที่ห้าก็มาดูอันนี้ของใครเนี่ยเมื่อมันมีกระจก คนยมมามเกาะที่ใดเป็นของไว้หลางว้หลางอยู่ที่ไหนอ่ะเขาทำข้าวพอาืืนอยู่นะ <c oughs> ไปเรียกมาหาจาักหน่อยตีหนึ่งตีสองเรียกมาพบกับเราเจ้าหน้าก<อ>็ว้หลางมากะหมอมแ ม, ม่มาลุกลุยลูบลุกลุยลุกลุยเหมือนแล้งเสบสตายกายสวยเขยอดขุ่ง แต่จิตนั้นมุ่งสู่มรคนิพพานใช่ไหมงามแต่มือไม่ใช่ไม่งามก็มีฝีหลังไม่งามเลยลุกลุยเหมือนแร่งลุกลุยลูกลุยมาดูดูจนคนเผาฝืนตำข้าวมือดโอ้ยฝีหลังนะเอาบาทเอาจีบอนไปต่อไปเป็นสักรราชรงที่หกนะดูแลยงทั้งหลายเราเนี่ย ที่บ อ, อกเกี ว, วัดตั้งแต่เช่ามือดอให้ใครเห็นนะก็ลบอาจางก็ลบสโสรกสองเขาห่อหลงพระในวัดลลกเฉียนในวัดเป็นละล้อยไม่มีเห็นใครได้รับสังฆราชต่อไปถามใครก็ยังอยู่แล้วใครไม่อยู่ในวัดไหนไม่เห็นเวลามหลาน ไ, ไปไหนไปเสร็จแล้ว ไปเป็นสังฆาลแล้วถ้าอยู่ด้านกวัวจะเป็นอันตรายอาจารย์สั่งให้ออกไกวัดนี่สังกนแล้วเป็นันฝ่าฟืนน้ำตาของตาขึ้นไปลงทานไม้ออกโอ้ยไม่ได้ไปฟังเทศหลวงพ่อมอเต่ร์ธมานัน่นแหละเป็นวิลางนะดีแล้ว่ะไปลัทวทกลัวจอดมันพริกรู้ได้ไหมฮนอยฝัก ร, ร, ร, รู้ไม่ใช่แบบโอ้ยยากนะไม่มีใครช่วยไม่ใหญ่ ส้างหนุกไปกิดการงานนะมันเข้มแข็งนะความยากควาบากทําเราเข้มแข็งนะอันดับนี่ถูกหล่อหลอมมากระพมทุกขมยากร้อยเปอร์ไปอยู่กับหลวงพ่อเทียนเนี่ยไม่เคยรู้จกักเอาวันตินไม่เคยรู้จกักไปใบโลไม่เคยเห็นมามา่าปีห้าร้อยสิบเนี่ยไม่เคยเห็นมาม่านะคุณหมอขอเสียบาทมาไอ้อะไรเนี่ย เขอะไรเนาะเนี่ยมาเปิดดูถามใครก็ไม่มีใครรูนะ้ไม่เคยมีใครเสียบาทมามา่าอะไรตอนนั้นเดินตามถนนทางไปมีรถมาจอดเอามาม่ามาเสียบาดนะอะไรนเนาะไม่กล้ายินถามใครเป็นรู้เลยหลงพ่เทียนก็ไม่รู้ <Yaz an> จริงควมทุกข์แท้ๆหล่รอหลอมเรามากตีก็ หลังคารั่วๆเวลาปีบินธบาตได้ผถุงพลาสติกมาเนี่ยจะไม่ทิ้งเลยจะล่างว่าเอาไปเสียบไหมจงรอราสอดเข้าไปในยา่าเพื่อปิดรั่วมาให้พูดวมไม่ใช่เรื่องสนุกสนานมันสร้างสัรค์คืดกรองในความอ่อนเอทำเราเข้มแข็งในความทุกข์ยากที่เราไม่มีได้เศรษฐีบางคนเนี่ย มั่งมีเป็นเจิติเพราะความทุกข์กลมยากความจนคนรวยทําให้เป็นคนยากจนกว่ได้ถ้าประมาณนั้นเราอย่าไปลังเกียดเพิ่มทุกข์กลมยากสนะู้เรามาโกรธหรือย่าพูดมองในความลึกซึ้งมองถึงพระพุทธพระธรพระสงค์พุทธองคจะนังรักช อ, อบไหมข้าเจ้าถือพระเจ้าเป็นชนะข้าพเจ้าจะพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้ ดูอย่างนี้ขึ้นมาตึงขึ้นมาเราคนนรามันใหญ่ในคืนหลอดอย่าอ่อนแะนเหมือนคนสมัยก่อนต้นต น, ตนพุทธกาลเด็กน้อยไปเล่นถามกันเลยมีสติหรือเปล่ามีเออชวนกันไปเที่ยวได้ถ้าใครถามว่าไม่มีสติเลยต้องระวังให้ดีมันจะมันจะหลง นะมีพลรรัดตะนาจเตยหรือเปล่ามีเด็กน้อยอายุเจ็ดขวบแปดขวบพูดกันคุณมีพลรรัตะเตยเมื่ออายุเท่าไหร่มีอายุหกเดือนเาหกเดือนนี่คุณยังอยู่ในคันแมนดานั่นแหละเรามีอายุตั้งแต่หกเดือนแล้วคุณมีได้ยังไงอายุหกเดือนเมื่อนั้นเรามีอยู่ในคันมารดามารดาของเราพาไปฟังเทศพระเจ้า มาณฑะองเราก็วังเทเรเาก็พุทธัทงชนังอกจามิทำมังสังาจามิสังฆังสังกชามิศธาข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นศรัทธาตั้งแต่นี้ต่อไปตลอดชีวิตแม่จะลูกที่เกิดเพียงหกเรือนในครรภ์ของข้าพเจ้าก็เป็นถือพระพุทธพระธรรมพระงนสงฆ์เป็นศรัทธาเป็นรัตนเป็นที่พึ่งพรอเราเกิดมาแม่ก็บอกว่าลูกเอ้ย ลูกมีพละตตันไตตั้งแต่อายุหกเดือนอยู่ในครันเขาแม่แลรานะนี่พระพุทธประทงประจงในใจเรานะเป็นการประกวดชนะหมู่เลยโอ้ยเขาเจ๋งมากเขามีพลัตันไตตั้งแต่อายุหกเดือน <laughs> เรานี้ก็้ราขอขวดใช่ไหมไม่กี่มันมานี้ขอถึงพลัตตันไตตลอดชาติ <laughs> ตั้งอายุตั้งสามสีปีแล้ว <laughs> สู้เด็กน้อยอินเดียไม่ได้นะ ก็เวลยอะถอยหกดือนเลยอย่าทิ้งนะในหัวใจเราจะแยกเลยแล้วอยู่เช่ไหนพระพุทธพระธรรมพระสองฆ์อยู่ตรงนั้นนั่งอย่นี้พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพอให้เป็นคนเราเป็นคนดีคือว่าอาจารย์พอให้เราเป็นคนดีบิดามารดาพอให้เราเป็นคนดีอย่าทอดทิ้งนะอย่าว่าเราดีกว่าคนทั้งหลายเราเจ๋งไม่ใช่นะ ผู้ที่พาเราเจ็กเนี่ยคือพ่อแม่เราครูอาจารย์ของเราพระพูดธพระธรรมพระสงฆ์มันมีที่พึ่งอ่ะนี่ไม่ต้องหลุดไปตกไปในชีศทั่วดอยถ้าโกรธขึ้นมาก็เฉียนพ่อแม่เพ่าแม่ไม่อยากให้เราทุกข์ไม่อยากให้เราโกรธเห็นใจพ่อแม่ยังอยู่กับเรานี้มีพ่อมีแม่ไหมมีไหม เดี๋ยวนี่ดวงตาก็ไม่มีพ่อแม่แล้วยังอยู่ในเนี่ยอยู่ในหัวใจเราเนี่ยมีหลวงพ่อเทียนอยู่ในหัวใจนะไอ้หลวงพ่อเทียนไมามีแล้วก็ปฏิเสธหลวงพ่อเทียนไม่ได้ยังอยู่เลยเพราะพุะทธประธรรมมาสองยังอยู่หัวใจเราอยู่เนี่ยนี่เลยว่ารัตธณะเป็นที่พึ่งของเรานะเอาวันนี้ก็สมควรอยู่เวลาก็พ่อพ่อมัน